ขอความเจริญในธรรมจงมีเด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้ประรบเรื่องเมตตาบารมีสืบต่อกันมาตามลำดั บ, ดบเป็นการเน้นย้าตามโครงสร้างของลักษณะทิจตุกะของเมตตาบารมีที่ท่านจำแนกแสดงอธิบายไว้ในพิธรมัตสังหารนะครับือตามปกติแล้วท่านจะอธิบายไว้สี คือเป็นลักษณะเป็นกิจแล้วก็เป็นผลหรือว่าเป็นรถแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นก็คือว่ามันเป็นโลกัศน์คือการมองโลกยังไงแต่การต้องการว่าเรามองยังไงมันไม่จำเป็นว่าเขาเป็นใครหรอกแต่เรามองอย่างไรนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ด้านั้นตัวกระตุ้นให้เกิดก็คือโลกทัศน์ของมนุษย์จะต้องมีความถูกต้องชัดเจนพอสมควร อย่างน้อยก็มองว่าคนสัตว์เป็นผู้ที่น่ารักควรแก่การแสดงความเป็นมิตรหรือคารมสถานภาพของเขาแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพเขาให้ตกตำ่ำแต่ว่าทำให้เขาสูงขึ้นเนี่ยไม่แปลก นั่นก็แสดงว่ามันมีการกื้อกูลตามตามลักษณะของเมตตาแต่ทํามันเขาตกต่ำเนี่ยก็แสดงว่าไม่ือกูณคือมันมันกัดแยงกับเมตตาการมองเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยพัฒนาจิตเยอะพอสมควรนะนะตัวอย่างที่บอกไว้ว่าปัญหาใหญ่ของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความรู้สึกเป็นของเรา จนล้ขก็ไปในสิทธิของคนอื่นรู้สึกเราเป็นจนคนอื่นต้องยอมสยบ ก, กับเราและรู้สึกว่าบิดตัวเป็นตนที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกตลองสังเกตว่าในสังคมผูดเราที่จริงมันความรู้สึกแบบนี้มันน่าจะลดลงไปบ้าง แต่เรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนขยายมานะแล้วก็ทิฐิของบุคคลให้สูงขึ้นโดยบางครั้งบางคราวเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นกิเลสเพิ่มขึ้นแต่แทนที่กิเลสจะลดลงในกิเลสกลับเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าโลกนี้มันถูกปิดบังด้วยเหตุผลด้วยด้วยอวิชชาอย่างที่ อาชิตมานโนปราบทูตถามพระพุทธเจ้าว่าโลกคือมูสัตอันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดพระพุทธเจ้ารักสั่งว่าโลกคือมู่สัตว์อันวิชาปิดบังไว้จึงหลงดุจอยู่ในที่มืดเพราะนั้นเมื่อหลงมากก็สับสนประเด็นคือการให้ความต้องการแก่ตัวเองเนี่ยและในที่สุดมันถึงจุดหนึ่งจะปฏิเสธสถานะของคนอื่น แต่เมตตาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นในการยอมรับน้ำถือสถานภาพของการอะไรกันโดยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยศักดิ์ศรีของความเป็นสัตว์โลกก็ต้องถือว่าทัดเทียมกันในฐานะของสิ่งมีชีวิตเราเจนว่าในแง่ของวินัยเนี่ยมันชัดเจนมากนะถ้ามองจากวินัยเนี่ยชัดเจนมากเช่นว่าภิกษุฆ่า ค่าคนน่ค่าใครก็ตามคนจนขอทานอะไรก็ตามนะประราชิกย์เสมอเหมือนกันไม่ได้จำแนกว่าค่าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นค่าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันผิด ก, กดับกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองจะเป็นการจาแนกไปตามสถานะของคนแต่ว่าถ้าวินัยแล้วเนี่ยจำแนกไปตามเจตนาที่บุคคลกระทำ คือถ้าเจตนาฆ่าแล้วก็ฆ่าใครก็ตามนะฐานะก็เป็นยังไงก็ตามพระผู้ฆ่าก็เป็นประราชิกหมดเป็นกระบวนการยุติธรรมจริงๆเป็นความเสมอการในแง่ของบาปรกรรมแล้วถ้าช่วยเหลือคนเหล่านั้นในแง่ของธรรมะนะมันจะแง่สังคมแง่สังคมมันมันก็ยุ่งๆถ้าช่วยเหลือคนเหล่านั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกัน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นขอทานหรือว่าคนนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าในแง่สังคมจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างในกรณีที่เกี่ยวข้องกับปราชาเกี่ยวข้องกับโจร น, นะเกี่ยวข้องกับมารดาบิดานะในวินัยกําหนดไว้เลยว่าให้อาหารแก่ท่านเหล่านั้นได้โดยตนเองไม่ต้องบริโภคก่อนแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยก็ เ, เลยภิกษุต้องทําให้เป็นเด่นแต่ก่อนเพราะเขาถวายพระมา ทำไมกับพระราชากับโจรพระราชาไปให้เศษอาหารทัานก็กลิ้วเป็นอันตรายโจรไปให้เศษอาหารมันก็โกรธมึงฆ่าเอามานดาไปให้เศษอาหารมันก็ขาดความเคารพนั่นคือแง่สังคมซึ่งก็หมายความว่ามันต้องอนุวัติตามบุคคลแต่ในแง่ของกรรมในแง่ของกรรมจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตาม ก็เป็นไปตามสมควรแก่กรรมเรานั้ น, น้นการแสดงออกซึ่งเมตตาแล้วก็ควรขวายออกไปทางกายทางวาจาโดยมีพื้นฐานใจต้องเมตตาจริงๆนะเมตตาที่บริสุทธิ์จริงๆและเราจะเห็นว่าสภาพจิตระดับเมตตาเนี่ยท่านบอกว่า เป็นจิตระดับกามาวจรแล้วก็รูปาวจรถ้ารูปาวจรก็หมายความว่าเราจเจริญเมตตาจนเข้าไปเมตตาฌานเมตตาที่เป็นฌานเพราะว่าพราะมิหารนั่นเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานแล้วเหมาะสมหรับคนที่มีโทสะจริตเพราะันถ้าจเจริญเมตตาขึ้นไปเนี่ยกว่าจะบรรลุฌานทั้งสี่ได้ท่านจึงบอกว่าเป็นกามาวจรกับรูปาวจร แล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างบารมีคือมีมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์โดยสำรวนอภิธรรมเนี่ยสัตว์เองก็ก็ถือว่าบัญญัตินะเอาละ ก, ก็มีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ถ้าสามารถจะทำให้ได้มากๆมันจะเป็นอนุภาพ มันจะเกิดเป็นเมตตาที่เป็นอนุภาพขึ้นมาหมายความว่าก็คล้ายๆกายริศแล้วปกป้องคุ้มครองอย่างยกตัวอย่างอุบาสิกาสมัยพุทธกาลอุบาสิกาสมัยพุทธกาลอย่างน้อยก็สองท่านนะะที่เก่งทางด้านเมตตาเนะี่ยนางอุตราอุบาสิกาเป็นลูกของท่านปุญนาเศรษฐี ท่านแต่งงานกับสามีที่เป็นตระกูลมิจฉาทิฐิซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกๆคือนางวิสาขาก็แต่งงานกับร ะ, ะกูลมิจฉาทิฐิแล้วนางจุลสุพั ธ, ธาลูกสาวธนานาตบินธิกะก็ไปแต่งงานกับร ะ, ะกูลมิจฉาทิฐิอุตราก็เหมือนกันท่านเป็นภรรยาบุคคลระดับโซดาบัน พรานก็ไม่ค่อยมีความต้องการในทางเพศอะไรแต่ต้องการจัดประพฤติปฏิบัติความดีดูแลคณะสงฆ์ท่านก็ไปจ้างนางสิริมาซึ่งเป็นนักโศเพนีให้มาอยู่ดูแลสามีคือทําหน้าที่คล้ายๆเป็นพันยาแทนนะเดี๋ยวท่านก็มาสนใจดูแลพระภิกษุสามนเณรปรุงอาหารจัดเตียมอาหารทําบุญตักบาตเลี้ยงพระ ก็เราดูพวกอุบาจิกาในยุคทรงนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนางอุตตราก็ดีหรือว่านางวิสาขานางสุ ป, ปิยาอุบาจิกาเนี่ยก็ดูแล้วท่านทําตัวเหมือนกับเป็นเป็นพี่ของพระสงฆ์เป็นพี่หรือน้องของพระสงฆ์ที่ดูแลหลวงพี่หลวงน้องนี่ะเจ็บไข้ไม่สบายท่านดูแลหมดแล้วเป็นเป็นภาพที่อบอุ่นคือถ้ามองจากสายพระพุทธเจ้าก็ดูแล้ว เมื่อก็ท่านท่านทําตัวเป็นลูกสาวพระพทุทธเจ้าแล้วก็ดูแลพี่น้องในเรื่องปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นาเรานี้จะเอื้อเฟื้อในเรื่องเหล่านี้มากเจ็บไข้ไม่สบายต้องไปดูแลเยียบเย็ยนนะเอาใจใส่เพราะพวกนี้พวกศรัทธาเขาไม่หวั่นไหวแล้วนางสิริมามันก็อยู่เพลินๆไปอะนึกว่าตัวเองเกิด เป็นพัญญาของเศรษฐีบุตรไปแล้วเว้นนางอุตราก็อมอมแมมน่อยนะครับปรุงอาหารดูแลควบคุมการทำอาหารอยู่ในโรงครัวมันเกิดมันไส้ขึ้นมาเกิดริษียาขึ้นมาก็ลงไปก็ตักน้ำมันเด็กบังเดือดเนี่ยรถใส่นางอุตรานุตราก็แผลเมตตาไว้ตั้งแต่ต้นนะ น้ำมันที่รถลงไปมันก็เหมือนกับ น, น้ำเย็นนางตกใจมากแล้วก็ขอขมาลาโทษพอสำนึกตัวเนี่ยก็ขอขมาลาโทษนางบอกว่านางยกโทษให้ไม่ได้หรอกคต้องไปขอขมาลาโทษกับพ่อของนางก็นางซีมาก็ยินดีที่จะไปขอขมาต่อท่านปุณณนนาเศรษฐีท่านบอกไม่ใช่ นั้นเป็นพ่อในที่ให้กําเนิดชีวิตแต่ก็หมายถึงพ่อในทางธรรมที่ให้ธรรมะแก่ท่านคือร พ, พระพุทธเจ้าก็นำนางศิริมาไปฝากพระพุทธเจ้านางก็ขอขมาลาโทษพระพุทเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะให้ฟังก็จบลงด้วยการบรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันพระนางสาว ม, มาวดี ปลุกนางมาคันธยาซึ่งที่จริงแกโกรธพระพุทธเจ้าเนี่ยโกรธพระพุทธเจ้าที่พ่อแกไปยกแกถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งอธิบายซึ่งความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายมันจบลงด้วยคําหนึ่งซึ่งทําให้ท่านโกรธมากพระองค์รับสั่งว่าเราไม่สามารถจะถูกร่างกายของออที่ดาทัานแม้ด้วยเท้า ก็อุปมา ร, ร่างกายเหมือนกับหม้อที่เต็มด้วยอุจระนะมา อ, อุจระโกรธมากแต่ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ไปยุยงพระเจ้าอุเทนนะจนเกิดไประแวงกริว้วโกรธหึงหวงสารพัดกริ้วมากจนถึงก็ให้นางพระนางสามาวดีก็บบริวารย่นเรียงแถวแล้วพระองค์ก็ยิงคิดจะยิงให้ทะลุไปทั้ ง, งแถวเลย ท่านเหล่านั้นก็แผลเมตตาจิตพระเจ้าเทนขึ้นสอนได้ขึ้นขึ้นขึ้นสอนได้นะ่ะต่ยิงไม่ออกเงื่อโชคเงือการไหลเลยลูกสอนไม่ยอมออกไปก็รู้อะไรเป็นอะไรนั่นคือเมตตาเป็นอนุภาพของเมตตาแล้วก็บอกว่าบางทีอาการที่มันได้จังหวะเนี่ย เดีท่านเล่าถึงแม่โคตัวหนึ่งกำลังยืนหลังนมให้ลูกโคอยู่ในฟารามคนหนึ่งคิดว่าก็จะแทงแม่โคนั้นจึงพริกแต่ห อ, อกนี่พุ่งไปปรากฏว่าห อ, อกมันพิ้วนะพิ้วบิดเบี้ยวเหมือนก็ใบตานพิ้วไปจะทำอะไรไม่ได้เพราะอะไเพราะว่าจิตเธอคิดถึงลูกโดยเมตตาแล้วมันสงบนิ่ง เป็นสมาธิระดับตอนนั้นเขาเรียกอุปจารสมาธิคือมันใกล้ๆสมาธิไปมันก็กลายเป็นเมตตาอนุภาพหรือว่าแม่แต่ท่านอะไรล่ะพระสังกติตตอนที่เป็นสามเณรเนี่ยก็ถูกพวกโจรฟันด้วยดาบแต่ว่าก็ไม่เข้าก็ด้วยอนุภาพของเมตตาจิตที่ท่านมี ต, ต่อโจรเหล่านั้นเพรา ะ, ะธรรมะเหล่านี้ที่จริงเขามีอนุภาพแต่ว่าเราจะสัมผัสได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะกําลังเมตตามันไม่สูงพอเมตตาที่จะเกิดเป็นอนุภาพขึ้นมาได้อย่างเนี้อยอย่างสุวรรณสามโพฏิสัตว์เราจะเห็นว่าเมตตาบารมีแก่กล้ามากคือไปไหนนี่มันมีเมตตาอนุภาพมันสงบเย็น ตว์ทั้งหลายตามถ้าเป็นพลวนไปเลยแล้วก็เคยพบพระอนนท์ท่านเล่าถึงพาารนะพุทธเจ้าเจ้าชายจิตตฐานนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเจ้าชายจิตตถะเนี่ยก็ไปเที่ยวกันตามเชิงเขารจาจกุมารทั้งหลายเนี่ยเจ้าชายจิตตานั้นสัตว์สัตว์ร้ายสัตว์ไม่ร้ายอะไรต่ออะไทั้งสัตว์ทั้งหมดเนี่ยตามถ้าเป็นพลวน แล้วก็ไม่ได้มีสัตว์อะไรที่จะคิดประทุษรายท่านนะประทุษรายท่านซึ่งๆึ่งก็ถ้าเรามองดูตอนที่ไปอยู่ป่าตั้งหกปีนะก่อนจะเป็นพระพุทเจ้าเนี่ยก็ไม่เคยมีอันตรายอะไรนั่นก็แสดงถึง ว, ว่าเมตานุภาพมันแผ่ไปกว้างใหญ่ไปศาลมากจนสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ทำอันตรายไม่ได้ ซึ่งคนนี้เราสามารถจะทดลองได้นะเราจะเริญเมตตาไปเรื่อยๆแผ่เมตตาไปเรื่อยก่อนจะนอนจะเริญเมตตาไปเนะี่ยแม้แต่ยุงก็กัดน้อยลงนะแล้วถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่กัดหรือปลวกเปลือกอะไรแต่ไหนเราก็แผ่เมตตาไปคุยๆเขาดีๆแต่เมตตาพูดๆกันเปลือกเขาออกไปยกลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นจะมาเป็นเวรเป็นกรรมจะมาสร้างบาปสร้างกรรมเลยก็กดน้ําว้ที่กุศล ส, สงไปให้ทําบ่อยๆเนะี่ยแล้วก็มีผลเหมือนกัน จะต้องทําบ่อยๆแล้วก็เมตตาอนุภาพต้องแรงนะไม่จะทํา ท, ทีเดียวได้คือจะเกิดเป็นอนุภาพไม่มีอะไรทําได้ครั้งเดียวมันจะต้องสะสมอยู่ในจิตสันดานแล้วการของเมตตานั้นมันประทับอยู่ที่จิตคนจนเป็นอาการสงบเย็นอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งคือโลกทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยมันมองยากขึ้น ที่จะให้มองคนสัตว์ด้วยความเป็นมิตรด้วยความน่ารักด้วยความเมตตาด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความเป็นมิตรอะไรก็ตามนะเพราะความรุนแรงในด้านต่างๆเนี่ยมันทพิมขึ้นแล้วยังนึกถึงว่าบางครั้งบางคราวแม้ในวัดวาอารามต่างๆหน้าโบสถเนี่ยจะต้องเขียนระวังรองเท้าหายแล้วบางทีก็ไม่ใช่รองเท้าของโยมนะไม่รองเท้าของพระยางหายเลย จะแสดงให้เห็นว่าคนก็เดือดร้อนเยอะแล้วงั้นก็ต้องเตรียมใจว่าใครขโมยไปก็จะได้มีเวรแก่กรรมและกรรมเลยก็แก่กันและกันเลยก็ถือว่าช่วยบรรเทาความทุกข์ยากแก่คนเรานั้นซึ่งก็ทําใจได้หรือไม่ได้คือบางทีมันเกิดโทสะบางทีมันเกิดมีปัญหาขึ้นมา สภาพาแวดล้อมเหล่าเนี้ยมันจะทําให้เมตตาเนี่โตขึ้นได้ยากเพราะว่าจิตใจะจะถูกบีบคั้นด้วยสภาพาแวดล้อมโดยเฉพาะด้วยคนที่แวดล้อมเนี่ยแล้วข่าวคราวเรื่องราวทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังในแต่ละวันถ้าเราไปปักใจฝังใจอะไรมากเกินไปเนี่ยทําให้แผ่แบบสเพรย์สตาได้ยากปรู้สึกไม่ชอบตรงนั้นหงุดหงิดตรงนี้รําคาญตรงโน้อนอะไรต่อไรเนี่ย เมตตาจะเกิดขึ้นนะยาเพราะในในกระบวนการภาคปฏิบัติจริงๆเมตตาจึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่เป็นเรือนของใจนะเราจะเห็นว่าทรงใช้คําว่าปรมภิหารแต่ว่าในองค์ธรรมต่างๆที่ทรงแสดงเนี่ยเราจะไม่พบว่าแสดงครบชุดของปรมภิหารบ่อยนะแต่จะเน้นที่เมตตาเพราะว่าคนเราทําเมตตาได้แล้วมันเดินได้นะ เมตตาได้เพรอเขาประสบความปัญหาขึ้นมาก็เกิดกรุณาได้เพอเขาประสบความเจริญก้าวหน้าก็มุติตาได้เพราะเขาประสบผลกรรมก็อุเบกขาได้เพราะในแง่ของความเป็นเมตตาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งไม่เป็นไปตามที่เราเมตตาจิตจะเข้าหาอุเบกขากรุณาก็เหมือนกันนะพอไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจะเข้าหาอุเบกขาเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะ คือยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามสมควรแก่กรณีไม่ใช่ว่ายืนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวแมตามันมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์แต่ทีนี้ถ้าสัตว์ก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกิดกรุณาแต่ถ้าแมตาเราหยอดเนี่ยกรุณาเกิดยากดังกล่าวในความเป็นกรุณย์นั่นเองมันก็ต้องขจัดปฏิปักษ์ธรรมคือธรรมที่ตรงกันข้ามกับกรุณาก็คือวิหิงสา ค, ความเบียดเบียน ทาปกติแล้วสัตว์โลกเรานั้นจะชอบซ้ำเติมเวลาคนอื่นประสบทุกข์สบัยประสบอันตรายรู้สึกสะใจรือจะซ้ำเติมแต่ว่าแนวกรุณามันไม่ใช่อะกรุณาจะต้องเกิดสงสารคือเข้าช่วยเหลือเลยซึ่งไม่จะทำได้ง่ายก็เนี้ยเราสังเกตว่าเวลาคนประสบปัญหาเช่นคนเดินหกล้มเนี่ยโดยมันญาติเนี่ยเขาไม่หัวเราะ แต่คนจุดหนึ่งเนี่จะหัวเราะไปก่อนแล้วก็แสดงว่าไอ้กรุณานี่มันมีไม่มากพอจริงๆหมืนไอ้เมตตาเนี่ยมีไม่มากพอเพราะถ้าเรามีเมตตามากพอเช่นสมมุติว่าลูกเราหกล้มเนี่ยจะไม่หัวเราะเราจะตกใจจะรีบไปประของรีบไปช่วยเหลือคือบำบัดความทุกข์ให้เกิตั้งปัญหาถามเวลาไปอบรมพระหลายแห่งหลายปีเนี่ยลองถามอยู่ยสร้างสถานการณ์สมมุติได้ท่านตอบ ท่านไม่กล้าตอบหรือว่าไม่แน่ใจก็ไม่ถามจะถามว่าสมมติว่าคนเดินมาห้าคนเดินมาการในเพื่อนฝูงกันในห้าคนเดินกันไปเพื่อนคนหนึ่งหกล้มเพื่อนคนหนึ่งวิ่งเข้าช่วยเหลือเพื่อนคนหนึ่งยืนดูเฉยๆเพื่อนคนหนึ่งหัวเราะเพื่อนคนหนึ่งด่าส่งเลยถามว่าในเพื่อนสี่คนในี่ใครมีธรรมะใช้ธรรมะถูกต้องนะ เราจะเห็นว่าคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยใช้ธรรมะถูกต้องเพราะในกรณีนี้เขามีปัญหาต้องใช้การุณาคนที่ยืนเฉยๆก็ก็ดีกว่าคนที่หัวเราะยะนะแล้วก็ดีกว่าคนที่ด่าสรงแต่ก็ใช้ธรรมะไม่ถูกอยู่นั่นแหละทีนี้สมมติว่าในกรณีห้าคนนี่ะเพื่อนคนหนึ่งไปฉกกระเป๋าคนของคนแล้วก็วิ่งหนี เพื่อนคนหนึ่งก็ช่วยเหมือ น, นะนเดิมนะฮะเพื่อนคนหนึ่ง ก, ก, lại, ก็วิ่งเข้าไปช่วยเหมือนเดิมแต่หมูกก็ไล่เพื่อนคนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนคนหนึ่งก็ยืนดูเฉยเพื่อนคนหนึ่งก็ด่าส่งเลยเพื่อนคนหนึ่งก็หัวเราะแล้วจเห็นว่าตรงนี้คนยืนดูเฉยๆนี่ถูกต้องเพราะปล่อยให้เป็นไปตามกรรมไอหัวเราะก็ไม่รู้หัวเราะเรื่องอะไรนะด่าส่งก็ดา่าก็ทําไมเพราะเวดบ้าเปล่า เพระในการใช้ธรรมะมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้คือปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าการขาจัดวิหิงสาแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเมตตามีกาลังเข้มแข็งเมตตามีกาลังมากพอแล้วจะปรับตัวเองเป็นกรุณาได้โดยอัตโนมัติเมื่อสัตว์คนสัตว์ที่เราเมตตาประสบความทุกข์ภัยอันตราย และถ้าเมตตามากเนี่ยมันก็อาจจะทำงานในลักษณะเสียสละแม้แต่ชีวิตของตนเพื่อปกป้องคนที่ตนเมตตาปกป้องคุ้มครองคนที่ตนเมตตาอย่างพระโพธิสัตว์ตีมีพระชาติหนึ่งเนี่ยสละตัวเองให้เป็นอาหารของเสือที่กำลังหิว อย่างรุนแรงแล้วก็มังจะกินลูกตัวเองเนี่ยกระโดดลงไปก็สละชีวิตตัวเองให้เป็นฐานนั่นก็แสดงว่าเมตตาบันมีความสากลแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นกรุณาเพื่อคัจัดปัญหาหรือเพื่อแก้ค่ดจัดภัยค่ดจัดอันตรายที่เกิดขึ้นในขณะ น, น, นั้นออกไปแต่ในขณะเดียวกันกรุณาเนี่ยมันมีค่าสึกไกรอยู่นะคือโสกความโศก ให้เราสังเกตกรุณาเป็นมรรคกษัตริย์โกกะเป็นทุกขสัตริย์ก็แสดงว่าชาติธรรมะผิดทางวิหิงสานั้นเป็นสมุทัยสัตว์นะแล้วก็โกะก็แสดงว่าเราไม่ได้มีปัญญาในการใช้เกรุณาเช่นสมมติเราช่วยคนเราไปช่วยไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็ตายไปแล้วเราก็ร้องไห้เนี่ยก็แสดงตอนช่ว ย, ยจริงมันทำโดยเกรุณา แต่ว่าเมื่อเราช่วยสุดฤทธิ์แล้วเนี่ยเขาตายเนี่ยเราก็เป็นอุเบกขานะเราจะไปโศกะไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงปรับเปลี่ยนยักย้ายไปเพราะอย่าลืมว่าธรรมะปฏิบัติจะต้องมีความสุขเป็นผลถ้าโศกะมันเป็นทุกข์นะครับมันก็ผิดผิดหลักธรรมทั้งฟังทั้งหลาย การบรมปาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี